อืออืออืออ่ายาจานายมันพี่เพียรมากหน่อยก็พูดนแค่พอมีแรงนะ วันนี้เป็นวันที่สามของเดือนกรกดาคมเป็นวันสอนที่สามนะไม่ใช่วันที่สามน ะ, ะสําหรับสองวันที่ผ่านมาในตอนต้นสอนพื้นฐานกรรมฐานวันแรกวันที่สองสอนเรื่องพระโสดาบันวันที่สามนี่จะแนะนำเรื่องพระอรหันต์ ข้ามไปเลยเพราะอะไรไหมเพราการผลการปฏิบัติไม่มีความจําเป็นจะต้องเรียงตามลำดับหนึ่งเป็นโสดาบันสองเป็นสี่ทาคาร ม, มีสามเป็นนาคาร ม, มีสี่เป็นรหันอันนี้ไม่จําเป็นทำนี้เขียนว่าบางท่านพระฟังเทศจบบรรพบุราดาบัน ถ้าฟังเทศอีกครั้งหนึ่งแล้วปฏิบัติต่อเป็นอรันเลยก็มีอย่างพระอนุนแล้าบางท่านมาฟังเทศจบเป็นอรันเลยก็มีแต่ว่าจะขอพูดตอนตอน้ตนสักนิดหน่อยในอยตอนตอน้ตนเรานับปฏิบัติใหม่อย่าลืมว่าอันดับแรกจะต้องใช้ลมหายใจเข้าออกเอาจิตเข้าไปรับทราบลมหายใจเขา้าลมหายใจออกแล้าหายใจเขา้ารู้อยู่หายใจเขา้า ให้ใจออกรู้อยู่ให้ใจออกให้ใจเข้ายาวหรยอสั้นออกอยาหรือสั้นก็นรู้อยู่พัดลมมันหมดหมดแรงกระวการที่สองให้ภาวนาสาหรับคำภาวนานี้ไม่จำกัดแต่ตอนต้นจะใช้คำาวนาว่าพุทโธก็ได้ สั้มอาระหลังก็ได้อิธิสุโโตก็ได้ดิวิโสภกวาก็ได้ลูกหนอพ่องหนอก็ได้ตามปัญยาใสอะไรก็ได้ส่วนแล้วแต่ที่เคยปฏิบัติมาถ้าท่านเคยปฏิบัติมาจากที่อื่นช่องแบบไหนปฏิบัติตามนั้นไม่มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนากายคำนาณก็ดีการรู้หลเข้าใจก็ออกก็ดีปเป็นเครื่องโยงจิตให้มีสมาธิ ตอนนี้ก็จะพูดถึงอารมณ์เวลาที่ปฏิบัติกรรมฐานให้ถืออารมณ์ความสุขของใจเป็นเกณฑ์อย่าคิดว่าเวลานี้เราต้องได้ชัน 1, ช้นหนึ่งชัน 3, ช้นสองชั้นสามชั้นสี่ชั้นแปดไม่มีความจําเป็นถือความเป็นสุขของใจเป็นเกณฑ์ถ้าจิตเข้าไปมุ่งชานโน้นชั้นนี้จิตจะวุ่นวาย คาว่าจิตวุ่นวายหมายความจิตที่เกิดมีรมฟุ้งซ่านจิตจะไม่เป็นไม่เป็นสมาธิเวลานั้นมันจะเป็นชั้นอะไรก็ช่างให้ถือว่าเวลานี้จิตเป็นสุขก็แล้วกันถ้าภาวนาไปพิจารณาไปเรื่องเรื่องลมหายใจก็ออกไปจิตเกิดมีความฟุ้งซ่านเกิดขึ้นมาคับไปอยู่ก็ปล่อ ย, ออ ย, ยเรลมปล่อยรมเสียเลิกไปเลยพักไปชั่วคราวก็ได้ หรือว่าอย่าคิดตามจิตไปจิตคิดอะไรก็ไปไปทำเรื่องสักครู่เดียวมันก็คิดกลับมาจับใหม่มันจะทรงตัวอันนี้ก็ได้ <c oughs> <c oughs> วันนี้ก็มาพูดถึื่องอารมณ์พระอาหารหันต์เมืวานนี้พูดอารมณ์ปัโสดาบันถ้าทำได้ก็ไปครึ่งทางพระนิพพานคาว่าปะโสดาบันถือว่าแปลว่าผู้เข้าถึงกระแสพระนิพพาน คือเข้าเขตพระนิพพานถ้าตายจากความเป็นคนอย่างน้อยก็เป็นเทวดาหรือเป็นพรหมตอนนี้อารมณ์ของเราถ้าจะได้พระโสดาบันแล้วถ้าเราต้องการนิพพานความจริงพระนิพพานเนี่ยเป็นของไม่หนักสำหรับนักปฏิบัติที่มีความฉลาดถ้าเรการในสองถ้าเชื่อพระพุทธเจ้า ต้องดูตัวอย่างตามพระสูตรถ้าเราไม่ดูตัวอย่างตามพระสูตรจะปฏิบัติยากทำไปทำไปก็คิดจะพึงว่าสมาธิจะทรงแล้วไม่ทรงจะทรงสมาธินานแล้วไม่นา น, ล ะ, น, านละเอียดที่ยาบก็อยู่แค่นั้นผลใ่สุดแม่แต่ประสูตรดาวบันก็ไม่ได้ <c oughs> ถ้าเราดูตัวอย่างตามพระสูตรจะรู้สึกง่าย อ้าดิพานตัดตัวไหนในในสังโยชน์สิประการสังโยชน์สิประการข่าหนึ่งส ก, กายยทิฏฐิมีความรู้สึก่างกายไม่ใช่เราไม่ของเราเราไม่มีร่างกายร่างกายไม่มีในเราข้อทสองวิจิกิจฉา ส, ง ส, ส ง, งสัยในคําสอนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากระทำในพระอธิยศสองข้อทสาศีลปฏิบตัตปรา ม, มาตย รวปคำสินไม่รักษาสินจริงจังข้อที่สี่กรามมฉันทะพอใจในกรามาคุณข้อที่หปฏิฆะมีอารมณ์อระทบใจคือมีความโกรธข้อ6รูปราคะหลงในรูปวิญาญข้อเจอรูปราคะหลงในรูปวิญาณข้อแปดมรณะมีการเิีตวัวที่ตน ข้อเก้าอุตจาระมีรวมใชแหวนข้อที่สิบอวิชชาไม่รู้ตามความเป็นจริงของเรื่องนิพพานด้วยสังโยชน์ทั้งหมดมีสิบถ้าเราจะปฏิบัติเข้าถึงความเป็นพระอริยเจ้าต้องตัดสังโยชน์สิบประการถ้าทำทรงเด็ชไปยังไงก็ไม่เป็นพระอริยเจ้าได้แต่นั่งสมาธิอย่างเดียวแต่คิดตอนคิดนี่ไปตามเรื่องตามราว ตามที่เราคิดว่ามันถูกดีไม่ดีมันก็อาจจะไม่ถูกถ้าถือตามตำราเกินไปก็ไม่แน่นอนนักพราคนเขียนตำราไม่แน่ว่าจะรู้จักนิพพานเสมอไปก็มีตำราลหลายสิบเล่มพูดเรื่องนิพพานไม่ถูกถ้าเราเกาะตำรามากเกินไปโดยเฉพาะอย่างนี้วิปัสสนาญาณ แกก็สอนที่ยาวเหยียดถ้าก็เป็นธรรมดาคนนักเ ข, ขียนถ้าเขียนก็จำเป็นต้องเขียนให้ละเอียดแล้วผู้ปฏิบัติต้องฉลาดในการเลือกเลือกเฉพาะจุดใดจุดหนึ่งที่เราพอจะทำได้อนี้พตามตามที่พระเจ้าทรงจัดว่านิพัน์เราจะไปนิพันธ์จริงๆเจะตัดตัวไหน ที่พ่ออยางยิ่งหวังความเบญจหันก็ต้องดูตัวอย่างภาษาดิบุตร <c oughs> ที่ท่านแนะนําพระเมื่อพระบวชใหม่บวชเสร็จก็เวล า, ร พ, า, ว า, า, วาพระพุทธเจ้าจะเข้าป่าเนี่ยพระพุทเจ้าสอนแล้วพระเจ้าถามว่าเธอเวลาภาษาดิบุตรแล้วยางพระบอกว่าอย่างนบอกให้เวลาภาษาดิบุตรด้วย แต่ความยิ่งพระพุทธเจ้าท่านทราบไม่ได้นัดกันว่าภาษาดิบุตรจะพูดเรื่องอะไรเจ้าท่านจะไม่แวะหาภาษาดิบุตรถ้าพูดแล้วก็ถามภาษาดิบุตรในธรรมะต่างๆเข้าไปบัติต่างๆภาษาดิบุตรอธิบายใหฟังแล้วในสุดก็ถามว่าเวลานี้ผมเป็นบุตุชนต้องการเป็นพระเป็นพระโสดาบันจะทํำยังไง ถ้าเราก็ตัดขันห้าให้ตัดรูปเวทนาเส้นยาขาสองขาสองขานิยานขันห้าจะตัดแยกเยิงหยาบก็เป็นระโสดาบันถ้าคนนั้นถามว่าผมไปเป็นโสดาบันแล้วต้องการเป็นเศรษฐาคามีจะเป็ยังไงถ้าบอก็ตัดตัวเดียวกันถ้าละเอียดลงไปอีกหน่อยหนึ่งก็เป็นพเศรษทาขามีก็ถามนั้นถามว่าก็ถามว่าถ้าเป็นสศรษฐาคามีจะต้องการเป็นาางขามีเป็นยังไง พอตัดตัวเดียวกันจนเกิดความเบื่อหน่าในร่างกายเบื่อหน่อยในการมาคุณเบืหน่าในความโกรธก็เป็นว่านารคามีถ้าก็ถามว่าเน่ยเมื่อเป็นนารคามีเป็นยังไงทั้งว่ า, า, า, าตัดตัวเดียวข้างหน้าแต่ขาดทั้งหมดแต่วิชาด้วยก็เป็นอรนันถ้าคนนั้นถามว่าเมื่อเป็นอรันแล้วเลิกทําใช่ไหมจะบอกไมใช่ถ้าอรันขยันทำมากกว่าพระธรรมดา พอรู้จักความทุกข์เหตุของความทุกข์ถ้าผลของความทุกข์ปฏ <In> ิบัติเพื่อความอยู่เป็นสุขอันนี้จะเห็นได้ว่าการตัดทั้งยอดสิบประการเข้าตัดกันตัวเดียวคือสกายญาติทีสกายญาติทีต้อต้องใช้อารมณ์ไม่เหมือนกันอย่างเบโซดาใบสกิทาคามีที่พระพุทธเจ้าทรงตัด พ่มีสมาธิเล็กน้อยกับมีศีลบริสุทธิ์ถ้ามีปัญญาเล็กน้อยให้ปัญญาใช่คิดว่าชีวิตนี้ต้องตายนี่เป็นสกายาติที่ตัดตรงนี้ให้มีความรู้สึกจริงๆริงว่าร่างกายนี้มันต้องตายแนย่วันนี้น่ะมันไม่ตายแต่วันหน้าจะตายก็ได้ยัยงไงยงไงมันก็ตายจะแน่นอน เี่ต่อไปถ้าเปรยรงว่อนาคามีจะมีความรู้สึกเบื่อหน่อยในร่างกายเบื่อหน่ายทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเบื่อหมดจนไม่มีความรู้สึกพอใจอะไรทั้งหมดอันนี้เปรยรงว่านาคามีถ้าเป็นพระอรันม่สังขารุปิกคขยันวางเฉยทุกอย่าง ร่างร่างกายเราเราก็เฉยมันจะแก่แล้วก็เฉยแก่มันจะป่วยก็เฉยป่วยจะตายก็เชฉยตายเป็นหน้าที่ของมันร่างกายคนอื่นก็เช่นเดียวกันทรัพสบัติทุกหมือกันมันมีอยู่ก็มีไม่มีมันจะพังมันจะหายไปก็เรื่องของมันเป็นธรรมดาอันนี้ก็มาดูตัวอย่างแค่นี้เราเห็นว่า การตัดสัญยาณสุรการใะอยู่ข้อเดียวคือสกายาทิฐิไม่ต้องทำมากตามตำรา <c oughs> ความจริงที่พูดนี่ก็พูดตามตำราเหมือนกันแต่ตำราง่ายๆแต่คนไม่ชอบชอบตำรายากๆใช่ไหมยายขวัญเนี่ยพูดไปรู้เรื่องของเราชอบตักชอบนอนชอบดีชอบนี่ชอบนั่น ชอบจนไม่ได้ทำอะไรเลยก็รงความว่าถ้าเราต้องการถ้าเป็นพระอาหารหันต์จะไปนิพพานอาบิพนของแล้วกันอรหันต์ด้วยก็ได้ก็ตัดที่ร่างกายตัวเดียวตัวอย่างในสมัยพระองค์สมเด็จพระผู้มีพระพ่าเจ้าอย่างสมบูรอยู่เวลานั้นพระสาวกรุ่นแรกเขจาจะเจ้าคือพระอัสสชิ ป่วยดับเป็นโรคกระเพาะมีอาการเสียดแทงขึ้นทุกวันวันก่อนก่อนก็พอทนได้แต่วันสุดท้ายทนไม่ไหวมานเสียดแทงหนักทั้งอืดทั้งเสียดก็บอกเขาว่าใหปา้ประกาศทูลองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เถิดเพราะสัจจิสาวกของพระองค์ทนไม่ไหวแล้วความดีที่ได้มาอาจจะเสื่อมไปแด้วไม่ความความไม่ระหันอาจจะเสื่อมไป ก็ท่าน่บกหัวใจ <c oughs> ถ้าจะเป็นกราบพระพุทธเจ้าให้ทรงทราบเมื่อพระพุทธเจ้าทราบแล้วก็กลับพาเข้าเสด็จมาที่พระอัสสชิถ้าอัสสชิจะลุกจากที่นอนเดิมลงมานอนต่ําให้พระเจ้านอนนั่งสูงพราที่นั่งมีอยู่มันต่ากว่าที่นอนมันเป็นแคลรพระเจ้าบอกอัสสชินอนที่เดิม ตถ้าทาคจะดนั่งในสถานที่ที่เขาจัดไว้ให้นั่นหมายรบว่าท่านไม่เลือกที่ตรงไหนก็ได้ถ้าพระอาสิตยป่วยพระพุทเจ้านั่งเสร็จท่านพระที่กราบทูลว่าพันเตพระกวาข้าแต่องค์สมเด็จพระผู้มีพระพาเจ้าผู้เจริญเปนลานี้ความดีเข้าพระเจ้าใต้จงควจะหมดเสร็จแล้ว เขว่ามาอึดมาเสียดมากทนไม่ไหวตังต้งสติไม่อยู่พุทธเจ้าถามว่าอาาัคจิรูปเวทนาสัญญาสังขันวิญญาณคือขัห้าเป็นของเธอหรือข้าติจิตตอบไม่ใช่แล้วว่าขันห้าเป็นเธอเขาบอกว่าใช่ก็รู้ความว่าท่านถามยังจะตามมาที่พราอัคคจิวาจิงหรืร่างกายไม่ใช่ของท่าน ร่างกายเป็นส่วนของร่างกายจิตใจเป็นส่วนของจิตใจพระพุทธเจา้ากระตะว่าอัคคิความดีของเธอไม่สลายตัวยังคงอยู่ยังมีความเบิกบานอยู่เพียงแค่นี้หลังจันทัาาศาคิก็นิพพานข้อ น, นี้บรรดาท่านพุทธไวสัททุกท่านจะเพึงเห็นได้ว่าการนิพพานตัดจุดเดียคือที่ร่างกายได้มีอีกเรื่องหนึ่ง เรื่องทัศติดสะเครืร่องเป็นโรคทัศติดสัตวนี่ไม่ใช่โรคเรือนเป็นโรคของทั้งตัวที่ร่างกายฟุกพองที่รา่านกระพองเม็เกเล็กที่หลังก็พองไม่ใหญ่ใจจนเท่าผลส้มแล้วมันก็แตกแตกแล้วเป็นน้ําเหลืองเป็นน้ําเหลืองทั้งตัวถ้าปฏิบัติทนไม่ไหวก็แล้วเลอะเลอะลาไป ถ้าติดสะก็นอนคอยความตายคืนนั้นองค์สมเด็จพระจอมไทยประมศสัสดาตั้งพิจารณาว่าวันพุ่งนี้จะมีใครบรรลุวัคผลบ้างก็ทราบว่าพระติดสะทธานอนป่วยเวลานี้พรุ่งนี้จะได้พระจ ะ, จ ะ, จ ะ, จะไปนิพพานจะเป็นหนนานนิพพานแต่ความจริงข้ายังไม่ได้ไปโสดาบัน ในตอนเช้าพอฉันเสร็จสมเด็จพระสมาสัมพุทธเจ้าก็ขอเด็ด อ, อาจับเอาจับวิหารทำทีเพราะว่าเดินชมตามห้องต่างๆตามสถานที่ต่างๆเดินเรียบๆไปให้พระพุทธเจ้าเดินไปก็เดินตามไปในเมื่อถึงห้องพระอาซ า, าพระติสระก็ทรงแวะเมื่อแวะขึ้นไปแล้วก็ทรงเลืงผ้า ทห้บริสัทน่องหมอยู่จัดการต้มน้ำร้อนพอดีพระก็ช่วยต้มให้เอาเอาสบงจีวอนแช่น้ำร้อนจนหายจนหายเปื้น้นพระองค์ก็สรงผ้าชุบน้ำร้อนพออุ่นอุ่นเช็ดตั้งกายพระศิวะพระติดสระตั้งแต่ที่สรงเท้าเกลี้งเกลี้ยงพระ่งน้ำเหลืองหมดจากตัวตัวสะอาดดีแล้ว หลังจากนั้นองสมเด็จพระวิถีแก้วก็ทรงตรัสว่าติดส ะ, ะอย่าลืมนะว่าคนถ้าพระเจา้าทำอย่างนั้นปีติมันเกิดความดีใจมันเกิดทั้งท่านเย่างรถอื่นถทิ้งแล้วพระทิ้งแล้วนะถ้าปฏิปฏิปฏิบัติจูเห็นท่าไม่ไหวก็ทิ้งไปแล้วก็เหลือตัวคนเดียวคิดว่าหมดที่พ่อนนอนรอความตาย ในเมื่อพาะพุทธเจ้าเองไปทำอย่างใั้นเข้าปีติคือความอิ่มใจก็เกิดความดีใจมันก็เกิดมุจจะจัดว า, าจิรังวตยังกายโยปัทวิงอดิเศทติถดดัวเวบติวิญญาณโนเนทะถังวเครงครังต้องแปลเป็นใจความว่าติดสัร่างกายนี้ไม่ช้าก็มีวิญญาณในปัจัแล้ว ร่างกายจะต้องทอดทิ้งเหมือนว่าเหมือนก็บทอดไม้ที่ไร้ประโยชน์เพียงเท่านี้เพระติดสัทธงจบก็ไปถั น, นพรอะใบสมิธายานที่ผานในวันนั้นนี่แหละบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านการเจริญพระกรรมฐานถ้ามีความฉลาดมันก็ไม่ยากถ้าไม่ฉลาดมันก็ยาก หรือการเจริญภาวนาก็าเป็นของดีมีจดหมายไปที่วัดหลายสิบฉบับบอกว่าเจริญกประฐานมาประมาณยี่สิบปีเศษส่วนใหญ่บอกยี่สิบปีเศษไม่เคยได้ผลอะไรเลยไม่มีผลก้าวหน้าให้กระบายความเจริญแบบคนโง่ให้คนโง่ที่ทำอะไรมาหาความเจริญไม่ได้ ไม่ดูตำราหรือตำราที่ดูแล้วก็ไม่จำไม่ได้รู้จักคิดอ่านแล้วมันต้องคิดตามแล้วก็ต้องเลือกว่าตำราส่วนไหนเป็นของพระพุทธเจ้าส่วนไหนเป็นของคนเขียนต้องดูคนแต่งตำราด้วยคนแต่งตำราถ้าไม่รู้ไม่รู้เรื่องก็แต่งส่งเด็ตามความรู้สึกของตัวเองให้ตัวเองก็ไปนิพพานไม่ได้ ท่านาจารสอนให้ก็อื่นปฏิพันธ์จะไปได้ยังไงเมื่อมีความไม่รู้อยู่ก็สอนแบบผิดๆเอ็งก็ ก, ก็ปฏิบัติตามเขาสอนเมื่อก็ปฏิบัติผิดๆท่านี้บรรดารท่านพระบริษัททีจ่จดหมายไปก็เช่นเดียวกันคงจะอ่านตำราประเทที่คนเขียนไม่ได้อะไรเลยไม่รู้เรื่องเรื่องความเป็นพระอาริยเจ้า ยังปฏิบัติไม่มีการก้าวหน้าถ้าจะปฏิบัติให้ก้าวหน้าจริงๆอัดับแรกเมื่อขึ้นต้นทีแรกเมื่อจะมาเรียนเนื่องเพราะ่านทัานสอนไม่ล่า ก, กับใครทั้งหมดให้ขึ้น น, น, นีปัศนาอย่างก่อน่านบอกว่าอันดับแรกก็หน ด, ดรู้ลมหายใจเขาออกนี่เป็นสมถะหลังจะได้ก่อนภาวนา ให้พิจารณาร่างกายว่าเราเราเราเวลาสัญญาสังขารวิญญาณบันไ ป, ปนอนิจจังเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกขังมีความทุกขอนัตตามีความตายเป็นอันดีสุดแล้วไม่ใช่ว่าจริงเครื่องให้มองเห็นทุกกิจจริงว่าร่างกายมันทุกอย่างไหนทําไมมันถึงทุกความหิวทุกความกระหายทุกความป่วยไข้ไม่สบายทุกความปุจจาระเป็นทุก ความปรารถนาไม่สมหวังเป็นทุกข์ความพักผาจากเครารักของเสบใจเป็นทุกข์ความตายเข้ามาถึงก็เป็นทุกข์ถ้าเป็นอันจังคือไม่เที่ยงมันไม่เที่ยงแล้วมันก็เป็นทุกข์อันดับแรกมีความกาเห็นทุกข์เป็นใช้ชัดถ่าต่อไปเห็นหน้าตาว่าร่างกายต้องตายแน่อย่างนี้เป็นวิปัสสนาญาณอย่างอ่อน แล้วต่อยจนนั้นไปท่านก็มาให้ธรรนาธรรมนาท่านก็สอนแค่พุทโธให้ตั้งใจคำวพุทโธในความจริงไม่เขียนเล็กน้อยดำเนินได้แยกจากอุธบริษัทท่านตอกท่านสอนนี่เป็นของใหญ่มากคือพระพุทธเจ้าไม่ต่ำพระพุทธเจ้าสูงมากพุทโธเป็นชื่อของพระพุทธเจ้าเอง หลังจากนั้นก็นให้กาหนดรูระหัสใจาเขาออกระหัสใจเข้านั้นู้ตัใจออกนั่งวัโทจากนั้นไปถ้าใครต้องการจะใช้ธรรมวิชาสามอวิญญาของริฏฐมิธมายาก็ต้องหาเอาเองอันนี้ท่าไม่สอนท้าไม่สอนอยังอัตมาที่สอนนี่อัตมาสอนต้องสองอย่า ง, ออางควบกันเหิวิชาสามก็อวิญญาเล็กน้อย <c oughs> พิญญานี้สอนมากไม่ได้อาสอยขา้น่หยกลางได้ประมาณหนึ่งปีหนึง่งปศาคนทำได้คนแค่สิบนาทีก็ทำกันได้ขัข้นกลางไม่ใช่ขังหนักต่อมาหลังจากพิณามาสิบปีไม่มีใครได้เลยพทธเจ้าทรงสั่งให้ลดกำลังลงลดกำลังสมาธิลงสอนแต่เบาๆนี่ทำก็ได้มาก อย่างสองวันที่ผ่านมานี่ได้สามร้อยคนเสร็จอั น, นี้ทำงานได้ถ้าอย่างหนักไมหมายความว่าจะประจับไปนรกสวรรค์ร่างกายไปเลยก็คงจะทาก็ไม่ได้เลยก็จะไม่ถึงการเวลาเวลานี่การเวลาเริ่มเข้ามาถึงแล้วถ้าตัวอย่างก็มีพระที่สุรา ธ, ธานีแต่นั่นไม่ใช่อริยญญาเป็นพีติ เป็นปีติโอติตัวที่สี่ 4. แต่ไม่ชา ก, ก็ได้ปัญญาถ้าเป็นแบบนั้นสามารถลอยเป็นเมร อ, อากาศได้บางทีเป็นสมาธิวรไปรอบเมืองสุราษได้เห็นทุกขล่างทุกอย่างทั้งหมดแต่ถ้าตั้งใจจะมาวัท่ารงมันกลับลงที่เดิมนั่นเป็นอาการของปีติถ้าเบลปัญญาแล้วมันสามารถบังคับได้ เราจะไปที่ไหนมันจะไปที่นั่น ท, ทันทีจะไปช้าหรือไปเร็วก็ได้ตัมโมติมันจะไปเร็วพอนึกปั๊บมันก็ถึงเลยถ้าเราจะไปไช้าต้องประคองกําลังให้ไปช้ า, ชามาเป็นยิช้าตามชอบใจแถ้าบรรดาญาติโยมพระทุกข์สมทันหลายต้องการบัญญาเขาได้ควาไม่ฝันจะได้ไม่ต้องเส้อรถอืม ต่อไปก็ต้องหาตำรวจจราจรเขายืมองการต์ตอนใชรลูกบรรลูนก็ได้เำรวจจราจร น, นะก็ต่อต่อัจากนั้นไปท่านจะสอนวิปัสนาญาณเพราว่าป่านไนะในด้านวิปัสนาญาณนี้ท่าตั้งอกตั้งใจสอนเฉ พ, เพาะส ก, กายติทิอย่างอื่นท่านสอนแต่ไม่เน้นนัก เน้นักกายะทิฏฐิเป็นให ญ, ญ่ให้มีความร่างเข้าใจว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเร า, เราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราพราะทำสมถะกับโฆษณาในข้อนี้ควบกันจิตใจมันก็สดใสเมื่อลงสงบในช่วงนั้นยังเป็นชา ล, ล ก, กีกันอยู่บรรดาพระธรรมหลายก็ที่สนใจวิชาสามก็ทําวิชาสาม จะสนใจพิญญาโหก็ทําได้พิญญาโหโค้กกันไปเจ้โค้กกันไปแต่การทํานี่ต้องคน้นควาเอาเองนะการคน้นควาต้องคุ้นควาในวิสุทธิมรรคก็ทําถูกบ้างผิดบ้างผิดบ้างถูกบ้า ง, า ง, างที่ทาได้เร็วก็มีทําได้ช้าก็มีที่ทําไม่ได้เลยก็มีแต่ก็ก็สามารถทําได้แต่ถ้าว่าจุดจดจริงๆของการปฏิบัติก็ต้องการจุดเดียวคือพระนิพพาน พิชาสามก็ดีอภิญญาก็ดีถ้าเรายังไม่ได้เราก็อยากจะได้ติ้นรนอยากได้ถ้าได้แล้วก็เบื่อมันไม่รู้จะไปไหนให้สวรรค์ก็มีวงแคบพรมก็มีวงแคบนรกก็มีวงแคบอยู่แค่นั้นเที่ยวไปเที่ยวมามันก็แค่นั้นแหละมันไม่รู้จะไปไหนอยากกินก๋วยเตี๋ยวกวยเตี๋ยวก็ไม่มี เขาแคเ์ไม่มีกู้เดี๋ยวขายมันรกสวรรค์แปลกอยากกินน้าชาก็ไม่มีน้ำชาขายอยากกินโอเลี้ยงก็ไม่มีมันแห้งเลยมันแล้งอยาตายไปไม่น่าไปแล้วก็ไปจกกดินแดนพันธิพัณฑ์พอไปถึงนิพพานแล้วก็หมดอยากความต้องการอยากจะไปไหนอีกไม่มี พอทานิพานอารมณ์ก็จบเขอดินแดนที่สวยที่สุดคือพระนิพานเที่ยวบกว่าศูญเที่ความจริงมันไม่ศูญเมื่อตอนแรกไปเที่ยวสวรรค์ก็สนุกที่ไห่นก็สวยที่นี่ก็สวยที่นห่นก็ดีที่นี่ก็ดีไปมันใหม่ๆที่ไปแล้วก็ไปแล้วก็อยากไปใหม่ยังไม่ยังไม่เคยไปก็อยากจะไปอีกไปจนทั่ว นางเข้านางก้าคืนเดียวไปจบสวรรค์นางเข้านาก้าทั้งคืนเดียวไปทั้งสวรรค์นั่นรกไปทั้งหมดหมดจบแดนมันก็แค่นั้นแหละแต่ก็ดีอย่างหนึ่งไปเห็นนางฟ้าเทวดาที่เกิดใหม่แล้พรมที่เกิดใหม่เราก็ไปถามก็ได้ความรู้จากพวกนี้ว่าทําอะไรมาจะเป็นนางฟ้าได้เป็นเทวดาได้เป็นพรมได้ บางคนทําบาปไวมากแล้วก่อนจะตายจิตเป็นบุญเล็กน้อยเพราะกราบพระประเดียวว่าตายก็ไปสวรรค์ได้บาปตามไม่ทันจะไปเมืองนรกก็เหมือนกันบางคนสร้างความดีไวมากอย่างพระองค์หนึ่งบวชตั้งเจดิบสองรรษาตรงนรกขุมที่เจ็ดเจ็ดเหมือนกันเนี่ยไง ท่านชอบเลกเจ็ดยกทรงแมมาเนี่ยาลอวิ่งตกตัวนี้ตัวเพาอะไรเพราะว่าตอนหลังมีความเข้าใจผิดขึ้นหลงผิดเป็นมิจฉาทิฐิเป็นอุปชาได้ของมากๆก็ส่งขายไปบ้างให้ชาวบ้านไปบ้างโดยไม่ถูกธรรมของขา้าถวายสงฆ์นี่ให้ชาวบ้านไม่ได้ ถ้าจะให้จะต้องซื้อสง่งเราต้องรู้ค่าของของพาของให้ใหไปก็จ่ายสตางให้ส่วนกลางไปเท่าๆจา น, นวนของยัง ไ, ได้ <c oughs> ต้องไว้ของส่วนกลางเนี่ยบรรดาท่านพุทธไวสตางหลายพูดมาพูดไปวันนี้เราทำท่าจะพูดไม่ไหวแต่พอพูดไปได้เพราะว่าทุกท่านต้องการานิพพานให้หันมหากายรูปเดียวคือสกายตยิทิ ที่แนะนําให้ทุกคนว่าก่อนจะหลับให้คิดในใจว่าเราต้องการอรนิพาน์และนอกจากนั้นก็นับรู้ร่างกายต้องตายหนึ่งสองคารพพระไตรศนาคมสามคารพในศีลเคารวบในศี ล, ลต้องนับศีลด้วยศีลข้อไหนระบบท่องบ้างขอ ใ, งให้สมบูร์บ้างพยายามทําศีลให้สมบูรณ์แบบ ถ้าจิตตั้งไว้เฉพาะนิพพานจุดเดียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านที่ได้มโนมยุธิที่เกื้อปัญญาวิชาีสามควบกันก่อนจะหลับวาทิศาทึ่มหมอนเอาจิตไปตั้งไว้ที่นิพพานไปที่วิมานพระพุทธเจ้า ก, ก็ได้วิมานขอเราก็ได้ถ้าไปที่วิมานของเราเห็นึกถึงพระพุทธเจ้าจะพบท่านทันที เ้าตัดสินใจว่าทารางการนี้ตายเมื่อไรเขามาที่นี่เหมือ น, นั้นเพียงเท่านี้บรรดาเถ้าพุทธบริษัทท่านต้องทำทุกวันนะตายมาเมื่อไรปฏิพันธ์เหมือนนั้นหมดเวลาพอดีตอนนี้ไปหุ่นดาเถ้พุทธบริษัทหลายตังต้งใจสมาทานสิ่งสมาทานกรรมฐ า, านปิดได้ก็จบ